วันนี้เป็นวันพุทธที่16เมษายนพุทธศักราช2568เป็นวันสุดท้ายของวันหยุดช่วงเทศกาลพรรษาสาธุชนพุทธบ ร, ริษัทผู้ฝ่ายธรรมจึงยังมีเวลาว่าง ไม่ต้องไปทำงานอีกหนึ่งวันจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพราะเวลานี้เป็นสิ่งที่หายากเมื่อมีเวลาว่างก็ควรจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ประโยชน์ที่สูงสุดก็คือประโยชน์ทางด้านจิตใจจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้แม้แต่ร่างกายที่เรารักเราหวงก็ไม่สาคัญเท่ากับจิตใจ าะสิ่งต่างๆและร่างกายของเรานี้เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็จะต้องสิ้นสุดลงสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ผ่านทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นลาบยศฉละเริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะอยู่กับเราต่อไปไม่ได้เมื่อร่างกายนี้ตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ก็จะต้องจากเราไปคือเราจะต้องจากโลกนี้ไปเรานี้มากับใจที่เป็นธาตรู้ที่ไม่มีวันตาย แต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอยู่ความนาจของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่คอยฉุดคอยลากให้ธาตุรู้คือใจนี้ไปหาร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆ หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒชนิดต่างๆที่ไม่ให้ความอิ่มความพอต่อให้ได้เสพได้สัมผัสมากน้อยเพียงไรก็ตามใจก็ยังหิวอยู่นั่นใจก็ยังอยากอยู่นั่นความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละ เป็นตัวทำให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องมาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าก็ดี ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจได้ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้มาสั่งมาสอนมาบอกก็จะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเองไม่มีใครสามารถที่จะยุติ การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ได้และอาจจะไม่รู้เสียด้วยซ้ําไปว่ากําลังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอยู่บางคนนี้ก็คิดว่าชีวิตมีเพียงร่างกายเป็นส่วนเดียวเมื่อร่างกายตายไปชีวิตนี้ก็สิ้นสุดลงไม่มีผลไม่มีอะไรจะตามมาต่อไป ก็เลยพยายามที่จะตักตวงสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นความสุขคือลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผโภพาชนิดต่างๆมาครอบครองมาเสพอย่างสุดกำลังโดยไม่คำนึงถึงวิธีการของการหา สิ่งเหล่านี้มาครอบครองมาเสพถ้าไม่สามารถหามาได้โดยวิธีสุดจริตก็พร้อมที่จะหามาโดยวิธีทุจริต mm hmm. เพราะเวลาที่เกิดความอยากในใจนี้ใจจะมีความรู้สึกทรมานมากถ้ายังไม่ได้สิ่งที่อยากได้จึ mm hmm. งต้องระบายหรือระ ง, งับความทรมานนี้ ด้วยการไปหาสิ่งที่อยากได้มาถ้าต้องใช้วิธีทุจริตก็ต้องทำเพื่อที่จะได้ทำให้ความทุกข์ที่มีในใจนี้หายไปแต่โดยที่ไม่รู้ว่าการกระทำที่ทุจริตนี้มีผลต่อจิตใจผู้ที่เป็นผู้ สั่งให้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆมาครอบครองมาเสพไม่รู้ว่าใจนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่มีเพียงแต่ร่างกายเพียงส่วนเดียวอีกส่วนหนึ่งก็คือใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ร่างกายประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟเวลาร่างกายตายไปธาตุสีก็แยกตัวออกจากกันไปส่วนธาตุรู้คือใจที่มาครอบครองธาตุสี่ก็ต้องอยู่โดยปราศจากร่างกายชั่วคราวและช่วงที่อยู่ปราศจากร่างกายชั่วคราวนั้นก็เป็นช่วงที่ ใจหรือถ้ารู้ที่ในที่ตอนนั้นเราจะเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณก็จะต้องรับผลของการกระทำที่เป็นสุดจริตหรือทุจริต ห, หรือที่เป็นบุญหรือเป็นบาปโดยที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเมื่อได้ทําบุญหรือได้ทําบาปไปแล้ว ผลของบุญผลของบาปก็จะเริ่มส่งผลตั้งแต่เวลาที่ใจกลายเป็นดวงวิญญาณไปเป็นช่วงที่ใจไม่มีร่างกายช่วงนั้นผลของบุญหรือผลของบาปก็จะก็จะแสดงให้กับใจได้เส็ได้สัมผัสถ้าเป็นช่วงของบาปถ้าเป็นผลของบาป ใจก็จะอยู่กับความทุกข์ทรมานใจถ้าเป็นผลของบุญใจก็จะอยู่กับความสุขความสบายใจสภาพของใจในขณะที่ไม่มีร่างกายนี้ก็เหมือนดันที่ร่างกายนอนหลับร่างกายนอนหลับก็เหมือนกับร่างกายตายชั่วคราวเพราะตอนที่นอนหลับ ร่างกายไม่ทําอะไรก็เหมือนกับคนตายเวลาร่างกายตายไปร่างกายก็ไม่ทําอะไรร่างกายไม่ได้รับรูปเสียงกลิ่นล่นพุทธะมาส่งให้กับใจผู้เป็นธาตุรู้เังนการตายกับการนอนหลับนี้จึงเหมือนกันต่างกันตรงที่เวลานอนหลับนั้น เป็นการนอนหลับเป็นการตายแบบชั่วคราวชั่วขณะที่หลับพอตื่นขึ้นมาก็กลับมามีชีวิตชีวาใหม่มีการกระทําอะไรผ่านทางร่างกายได้ใหม่ต่อไปแต่ความตายนี้เป็นความตายแบบยั่งยืนถาวรคือตายแล้วไม่มีวันฟื้นถ้าจะ ตื่นถ้าจะตื่นขึ้นมาใหม่ก็ต้องตื่นขึ้นมากับร่างกายอันใหม่เวลาที่ใจได้ไปรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่หลังจากที่อยู่ในคันได้เก้าเดือนร่างกายอันใหม่นี้ก็จะคลอดออกมาจากท้องแม่ตอนนั้นก็เราเรียกว่าเกิดแต่สาหรับดวงวิญญาณก็จะเรียกว่าเพิ่งตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับก็ได้ จะ ต, ตื่นกับร่างกายอันใหม่ไม่เหมือนกับเวลาที่นอนหลับเวลานอนหลับยังยังหลับกับร่างกายอันเก่าอยู่ละเวลาตื่นขึ้นมาก็ยังตื่นขึ้นมากับร่างกายอันเก่าอยู่แต่สภาพที่เหมือนกันตอนที่ตายหรือตอนที่นอนหลับก็คือใจจะไปอยู่ในโลกของความฝันเพราะช่วงที่นอนหลับนี้เรามักจะมีความฝันเกิดขึ้นกัน บางทีเราก็ฝันร้ายบางทีเราก็ฝันดีตามหลักธรรมคำสอนการฝันดีนี้ท่านบอกว่าเ ป, เป็นผลที่เกิดจากการบุญจากกุศลที่ได้ทำเอาไว้การฝันร้ายนี้เป็นผลของการกระทาบาปในขณะที่ มีชีวิตอยู่เลยในขณะที่ตื่นดังนั้นเวลาที่ร่างกายตายไปกับเวลาที่ร่างกายหลับนี้ใจจะอยู่ในสภาพเดียวกันคือจะอยู่ในโลกของความฝันฝันดีฝันร้ายก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้กระทําเอาไว้ ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะเป็นผู้กำกับฝันต่างๆสร้างฝันต่างๆที่เป็นฝันที่ดีที่ฝันที่ให้ความสุขความเพลิดเพลินใจความสบายใจแต่ถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะเป็นผู้กำกับความฝันให้มีแต่ความฝันที่วุ่นวาย ที่ทุกทรมานที่หวาดกลัวที่ทุกยากลำบากต่างๆนี่คือช่วงขณะที่ร่างกายนอนหลับหรือร่างกายตายไปใจที่เคยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาเหตุการณ์ต่างๆมาเสพก็เลยต้องถูก ใช้อานาจของบุญหรือของบาปสร้างเหตุการณ์ต่างๆในรูปแบบของความฝันให้ได้เสพให้ได้สัมผัสฉะนั้นการตายกับการนอนหลับนี้จึงเป็นเหมือนกันต่างกันตรงที่สั้นหรือ ย, ยาวการนอนหลับนี้ก็หลับไม่นานแปดชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาใหม่ความฝันก็จะหายไป แต่ถ้าตายนี้ความฝันนี้จะยาวอาจจะเป็นร้อยปีอาจจะเป็นพัน 1, ปีก็ได้ก็ อ, อยู่กับปริมาณของบุญหรือบาปที่เราได้สะสมเอาไว้ได้ทำเอาไว้ถ้าสะสมบุญมากก็จะฝันนานถ้าสะสมบาปมากก็จะฝันนานแล้วก็พอบุญหรือบาปที่ได้สะสมไว้ หมดกำลังลงไม่มีไม่มีความสามารถที่จะผลิตความฝันให้กับใจคือดวงวิญญาณได้เสพได้สัมผัสตอนนั้นใจก็จะรอไปรับร่างกายอันใหม่พอมีการผสมพันระหว่างพ่อกับแม่แล้วเริ่มมีส่วนของพ่อและของส่วนของแม่มาผสมกัน เวลานั้นดวงวิญญาณก็จะเข้าไปครอบครองร่างกายอันใหม่ที่กำลังต่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เกิดปฏิสนธิขึ้นมาคือการตั้งครรภ์เมื่อตั้งครรภ์แล้วก็จะมีการเจริญเติบโตของทารกในท้องของมารดาอยู่เก้าเดือนด้วยกัน แล้วก็จะคลอดออกมาตอนคลอดออกมาก็จะเหมือนกับการมาตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับของใจของของดวงวิญญาณอันนี้ก็คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดที่เอามาเสนอท่านไว้พอสังเขตเนื่องจากช่วงนี้ ฝนตกหนักอีกแล้วเสียงก็ค่อนข้างจะดังการฟังอาจจะไม่ค่อยชัดเจนก็เลยขอเปลี่ยนวิธีจากการแสดงธรรมมาเป็นการนั่งสมาธิแทนท่านก็นั่งฟังต่อไปเหมือนเดิมแต่การที่จะใช้เสียงท ำ, ทำเป็นอารมณ์ท่านก็เปลี่ยนมาใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือถ้า ชอบใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธก็นั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือถ้าชอบใช้การสวดมนกก็สวดมนไปภายในใจไปถ้าเราไม่มีอะไรมาคอยควบคุมใจใจจะดิ้นใจจะอยากจะลุกใจจะไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามีอารมณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งมาควอบคุมใจเช่นมีการดูลมหายใจเข้าออกหรือมีการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือมีการสวดมนต์ยพายในใจใจก็จะเน่งสงบดังนั้นตอนนี้ขอรัางภ ก, การพูดไว้ชั่อคราวก่อนตอนนี้ฝนก็ได้หยุดแล้ว เวลาก็ใกล้หมดพอดีก็เห็นว่าพอสมควรต่อเวลาจะขออนุมัตนาให้พร <c oughs> ยะธาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคขังเอวเมวะอิโตทิน e ังเอตานังอุปกาปติอิช e ิตังปะทิตัง e ตุมหังคิปะเมวะสมิชะโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยถามณนิโชติราโสยถาสัพพิติโอวิวาจันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวตวันตรลาโยสุขิติขายุโกภะ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 ถ้าไม่อยากจะถามเมนก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามฟังทั้งหมดเท่าไหร่ชมทั้งชมทั้งฟังกาบเรียนครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ264ิท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติสอง้อสิบท่านทาง YouTube ดรวีสสิบอท่านทางวิทยุออนไลน์ เจ็ดท่านทางขับเฮาส์เก้าท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิเจ็ดสิบสามท่านรวมทั้งหมดห1ร้อยสิบสองท่านครับอันนี้บุญชูมีคำถามหรือเปล่ามีเลรอให้บุญชูถามก่อนเป็นชาวต่างประเทศจะชอบชื่อภาษาไทยชื่อบุญชูครับนวัสารครับนีวอนไม่ความวาอะไรครับ นิวรณไม่ความว่าอะไรครับ hindrance mental hindrance มีอยู่ห้าอันด้วยกันครับคือ1หนึ่งการมชันทะความอยากเที่ยวดูหนังฟังเพลงอันที่สองความลังเลสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันที่สามความโกรธอันที่สี่ความง่วงนอนขี้เกียจอันที่ห้าความคุ้งร้าง จิตคิดมากเถ้าเกิดอาการเหล่า น, นี้แล้วจะทำให้นั่งสมาธิไม่ได้ต้องหาวิธีกำจัดมันการมาฉันทาก็ให้ถือศีลแปดอยากจะเที่ยวอยากจะดูหนังฟังเพลงก็ดูไม่ได้แล้วก็เวลาโกรธก็ให้แผ่เมตตาอาภาัยให้กับคนที่เราโกรธถ้าสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ฟังเทศน์ทธรรมศึกษาธรรมะบ่อยๆ แล้วก็จะหายสงสัยแล้วถ้าเกิดความง่วงนอนก็อย่า ก, กินข้าวมากเกินไปถือสิ้นแปดอย่า ก, กินหลังเที่ยงวันไปแล้วเออถ้ายังง่วงอยู่ก็กินมื้อเดียวถ้ากินมื้อเดียวยังง่วงอยู่ก็กินวันเว้นวันหัวอาหารแล้วข้อสุดท้ายความฟุ้งซ่านก็ต้องใช้สติคอยควบคุมคอยบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยๆคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิด คิดไเดี๋ยวก็จะสร้างขึ้นนิวรครับผมนิวรณ์นะนภาษาบาลีครับแต่นิวรณ์มันหายตอนที่ถึงคันของพระอระหันต์หรือตอนที่ถึงคันของพระอาระารนาคามีทำไมเนี่ยมันนิวรมันหายตอนที่อเข้าถึงในในขั้นไหนขั้นไหนเนะใช่ครับก็ถ้ามันก็ ถ้าเข้าสมาธิได้มันก็หายนะถ้าเข้าฌานได้มันก็หายคนที่เข้าฌานได้เขารู้จักวิธีกำจัดนิวรต่างๆถ้าเขาสามารถเข้าสมาธิเข้าฌานได้ก็แสดงว่าเขาไม่ไม่ต้องเจอนิวรเขารู้จักวิธีควบคุมนิวนรณ์พระอนาการพระอนุกายังมีนิวรน์ไหมครับก็ถ้าเป็นพระระดับอริยเลนใช่ไหมค่อยมีนิวรณ์นะไปไปมนทำไม เว้ยไปฟังทรเรนอะ <c oughs> ไม่พาริยานี่ไม่มีนิวอนแต่ยังมีสังโยมีสังโยมอยู่ครับผม ค, ค, คนที่เข้าสมาธิได้แล้วนี่จะไม่มีไม่มีนิวรณคนที่เป็นพาริยะก็ต้องมีสมาธิกันทุกคนถึงจะเงจริญปัญญาต่อได้ <c oughs> น <Yeah. S 2> ขอบคุณมาครับ <Okay. S 2> มีคํำถามจากคุณจีลาลาเจ้ า, าจะวางใจและเตรียมพร้อมรับภัยธรรมชาติที่มีมากขึ้นในระยะนี้โยมใช้การวางเฉยคือไม่เสพข่าวข้อมูลคําทํานายทายทักอยู่กับสิ่งที่กําลังทําอยู่คาดว่าจะมีผู้คนวิตกกังวลมากกลาบขอบพระคุณเจ้าค่ะ พระเจ้าสอนให้เราเราเลึกถึงความตายอยู่ทุกวันเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีการพลาดพลากจากการเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ให้คิดวันบ่อยๆวั น, นละหลายๆครั้งจะได้ไม่ลืมเราจะได้น้อมจิตน้อมใจยอมรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าใจยอมรับน้อใจจะไม่กลัวเพราะว่าใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ใจหลงไปคิดว่าตนหนึ่งเป็นร่างกายก็เลยไปไม่อยากให้ร่างกายตายไม่อยากให้ร่างกายเจอกับภัยพิบัติต่างๆแต่พอพระเจ้าสามารถทํายังไงก็ต้องเจออยู่ดีความตายนี้ไม่พน้นแล้วความตายก็ไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใช่ค่ะคุณคุณน้อยพนิดาค่ะถามเข้ามาว่าในการฝึกปฏิบัติ เราวางใจไม่หวังผลได้ไหมคะแต่พยายามฝึกปฏิบัติให้ได้ต่อเนื่องบ่อยๆคือเราก็ต้องรู้ว่าผลจะเกิดจากการปฏิบัติเรา ค, คือมีผลอะไรบ้างเราก็ต้องรู้จะ น, นั่งสมาธิเราก็ต้องรู้ว่าผลที่เราจะเกิดก็คือความสงบแต่เวลขาขณะที่ทํขาขณะที่นั่งสมาธิอย่าไปคิดถึงแต่ความสงบอย่าไปคิดถึงผลเพราะว่าผลไม่ได้เกิดจากการคิด เกิด อ, อยู่ที่การควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้ว เ, เดี๋ยวผลก็จะเกิดขึ้นตามมาเจ้าค่ะมีคำถามฝากถามจากคุณไร้โ ย, ยมเริ่มมาฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์เมื่อต้นปีนี้ทุกครั้งที่โยมทำสมาธิขณะที่ฟังพระอาจารย์เทศสด โยมจะรับรู้ได้ถึงกระแสพลังที่พระอาจารย์แผ่มาเป็นปิติทุกครั้งยิ่งถ้าได้ระโยน์ใกล้ที่หน้ากุฏิจะยิ่งปิติค่ะอย่างวันนี้ก็มีแสงละมุนส่งมาปิติค่ะแบบนี้ถือว่าโยมจะเสพติดพลังสมาธิของครูบาอาจารย์เหมือนโยมไม่ได้พึ่งตนอยากได้ทางรัดด้วยการรับพลังของครูบาอาจารย์แทน ก็เบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีพลังในตัวเราเราก็ต้องอาศัยพลังของครูบาอาจารย์ชุดลากไปก่อนพอเราเริ่มมีพลังแล้วเราก็ต้องไปทําตามลาพังของเราเพราะการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่พอที่จะทําให้ใจรวมเป็นสมาธิได้เข้าในระดับฌานได้หลังจากที่เราฟังธรรมแล้วเราก็ควรจะไปนั่งต่ออีกรอบสองรอบหรือหลายๆรอบนั่งไปเรื่อยๆแล้วต่อไป ใจก็จะสงบลึกเข้าไปลึกเข้าไปจะคุณต่อเจ้าค่ะขอกราบเย็นถามถือสินแปดหลังเที่ยงสามารถทานโกโ ก, โก้เก้าสิบเปอร์เซนยี่ห้อลินลินที่เป็นแท่งๆได้ไหมครับ <c oughs> คือโกโก้นี่ถือว่าเป็นเหมือนยาทีโกโก้ที่เขามาทำช็อกโลนี่มีทั้งแบบที่มีนมผสมมีส่วน ของอาหารเช่นถั่วหรืออะไรถ้าเป็นช็อกโกแลตแบบที่มีนมมีถั่วนี่ฉันไม่ได้เพราะถือว่าเป็นมีอาหารเป็นส่วนประกอบแต่ถ้าเป็นโกโก้โกล้วนๆเป็นช็อกโกแลตแบบดาร์กวิทเตอร์เนี่ยมีแต่น้ำตาลผสมกับช็อกโกแลตโกโก้เนี่ยอยา ก, กินได้เหมือนกับกาแฟกาแ ฟ, าแฟดาก็ดื่มได้แต่กาแฟสายนมดื่ ม, มไม่ได้เจ้าหา กรับในมรดการหลวงตาเจ้าค่ะขอคำชี้แนะเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนดูแลพ่อที่ป่วยแต่ไม่เต็มที่ท่านเสียแล้วและสองปีก่อนดูแลแม่ที่ป่วยอย่างตีเต็มที่แต่แปลกในใจยังไงไม่เคยลบเจ้าค่ะควรกำหนดจิตอย่างไรกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะเป็ น, นอะไรแต่ปัญหาเป็นอะไร คือโยมเขาถามเข้ามาว่าเมื่อเมื่อยีสิบกว่าปีก่อนนะค่ะดูแลคุณพ่อแต่ว่าดูแลไม่ไม่ได้เต็มที่แต่ตอนเนี้สองปีก่อนดูแลแม่ที่ป่วยอย่างดีเต็มที่แต่ในใจไม่เคยลบคนกําหนดจีนเหมือนไม่เคยลืมไม่เคยลืมเจ้าค่ะก็ะถ้าอยากจะลืมก็เวลาคิดถึงก็ให้ใช้พุทโธพุทโธลบออกไปเจ้าค่ะจากคุณทัศนีเจ้าค่ะกราบเรดินถามพระอาจารย์ค่ะ เวลานั่งภาวนาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเกิดเวทนาขึ้นทางร่างกายแต่ใจนิ่งสงบไม่ไปวุ่นวายกับเวทนาที่เกิดขึ้นทางร่างกายอายการแบบนี้เรียกว่าการแยกจิตออกจากร่างกายได้ไหมคะก็ได้ถือว่าใจปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเวทนาได้ไม่วุ่นวายไปกับเวทนาต่างฝ่ายต่างอยู่ร่วมกันได้ เหมือนกับตอนที่เรานั่งแล้วฝนตกเราก็ปล่อยฝนตกไปเราก็ไม่ไปวุ่นวายกับฝนไม่ไปอยากให้ฝนหยุดหมือฝนหายไปเราก็นั่งเฉยๆไปฝึกสติฝึกสมาธิฝึกอุเบกขาไปต่อไปเวลาเราเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราทําอะไรไม่ได้เราก็ใช้อุเบกฐานี้อยู่กับมันไปแล้วใจเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆนั้นการฝึกสติฝึกสมาธินี้เป็นของที่ คุณมีประโยชน์หน้ากับจิตใจของเราพยายามฝึกบ่อยๆให้มันเป็นนิสัยเจ้าค่ะคุณมนทนถามเข้ามาว่าดูลมหายใจแล้วสัญญาเก่าเกิดขึ้นครับผมก็แสดงว่าเราเผลอไม่ได้อยู่กับลมหายใจถ้าสัญญาเก่าเกิดก็อย่าไปสงใจกลับมาหาที่ลมต่อถ้ามันไม่อยู่กับลมอยู่ไม่ได้ก็ใช้บริกรรมพูดโทรแทน คุณจ๊อบเจ้าค่ะจิตเดิมแท้เป็นอย่างไรครับก็จิตที่นิ่งสงบไม่มีความคิดปรุงแต่งก็จิตที่เข้าในสมาธินี่คือจิตเดิมแท้แต่เป็นจิตที่ยังมีกิเลสเวลาออกจากสมาธิมากิเลสก็จะออกมารบกวนต่อไปไม่ใช่เป็นจิตที่บริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์นี้จะไม่มีกิเลสเป็นจิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์นีิพานจิตนิพานนี่เป็นจิตบริสุทธ แต่จิตเดินแท้นี้ยังไม่ได้รับการกาจัดกิเลสตัณหาเพียงแต่กลับไปอยู่ในสภาพนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้เฉยๆไม่มีความคิดปุงแต่งต่างๆกิเลสตัณหาที่มีในใจก็เลยไม่แสดงตัวออกมาแต่พอออกจากสมาธิมามาคิดตรุงแต่งมารับรู้รรรเรื่องราวต่างๆกิเลสตัณหาก็จะออกมาทันทีแต่ถ้าเป็นจิตบริสุทธิ์นี้ ไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือไม่อยู่ในสมาธิกิเลสจะไม่ออกมาไม่มีกิเลสจะออกมาเอามารับรู้เรื่องราวต่างๆเห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นสิก็จะเฉย ม, มีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นในขณะที่ไปสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆ อ, อันนี้แหละคือจิตบริสุทธิ์พาจารย์อย่างอย่างระหว่างวันนี้เจค่ะเราเราทํางานหรือเราขับรถหรืออะไรแล้วไม่สามารถบริกรรมหรือดูลมหายใจได้ แต่เราใช้วิธีจับรูปครบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าแทนได้นะคะเหมือนมืนช่วงที่จิตเราว่างไม่ถ้าเวลาขับรถต้องจับรถเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่สตั้งสติต้องดูการขับรถเป็นหลักไปดูรูปครบาอาจารย์เนี๋ยว <c oughs> <c oughs> เกิดมีอะไรกระทนหันอาจจะแ ก, แก้แก้ไม่ทันงั้นโดยหลักเวลาทําอะไรต้องอยู่กับงานที่เราทําเป็นหลักเวลาเดินก็ต้องอยู่กับการเดินเป็นหลักอย่าไปคิดถึง อะไรแล้วไม่ได้มองทางที่เราเดินเดี๋ยวเดินไปเหยียบสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นั้นต้องมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือการกระทําของต่างๆของร่างกายแล้วถ้ามันอยู่กํางานเหล่านั้นแล้วมันยังแอบไปคิดได้ก็ใช้พุทธโธช่วยก็ได้อย่างนี้แต่แต่งานหลักก็คือยังต้องดูงานที่เราทำอยู่สิ่งที่เราทําอยู่แล้วก็เอาพุทธโธมาช่วยเสริมหรือนึกถึงครูบาอาจารย์ก็ได้มาช่วยเสริมไม่ให้มัน หนีออกไปจากปัจจุบันให้มันอยู่ในปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นใช่ค่ะจากคุณปียาพรณ์ค่ะน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกจะขอถามว่าหากเราเรียกแม่ชีที่อายุแปดสิบปีว่าหลวงยายชีหรือหลวงยายเป็นการเหมาะสมหรือไม่เจ้าขาตัวใหญ่เขาได้ยอมเรียกคุณแม่คุณแม่ชีก็ได้ หลวงยายนี่มันเหมือนร่อเรียนพระเห็นมีหลวงตาก็เลยร่อนหลวงยายถ้าใช้หลวงนี่เขาใช้กับพระเนี่ยแต่แม่ชีนี่เราเรียกคุณแม่คุณยายก็ได้คุณย่าก็ได้เจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะ มีคำถามจากอินบล็อกค่ะถ้าถือสินแปดซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบจะผิดศีลไหมคะ <c oughs> ก็ไม่ได้ศีลแปก็ไม่ได้ห้ามนะเฉงแต่ ว, ว่ามันก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับทางโลกศีลแ น, นี้เพื่อให้ดึงใจให้อยู่กับทางธรรมอย่าไปแสวงหาลาบยศสรรเสริญแต่างความสุขอยากลูกเสียงขลรดต่างๆ อมีคำถามมีเหลยลงไปลงไม้ไปให้หน่อยพูดช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบร้อยใล้ๆก็สนกุกคนพูดไว้ค่ะค่ะกลับอักษักา ร, รเรียนถามองหลวงพ่อค่ะใกล้ๆมเอามาใกล้ๆพู ด, ดชา้ชาๆชาัดๆ อ, อ่าก้อที่หนึ่งคะ่ะยี่สิบปีที่แล้วหนูบังเอิญได้ฟังวิทยุขององค์หลวงตาคา่ะแล้วก็ก็เลยไปอ่านอ e ีบุ๊กกายคตตาสติของในเว็บหลวงตาค่ะ ก็ถูกเจริญกับรู้สึกว่าตัวเองถูกเจริญกับพิจารณาภาวนาว่าอธิอธิอะค่ะแล้วก็ภาวนาจนเห็นแบบพอเราเริ่มพิจารณาปุ๊บมองไปก็แบบนั่งสมาธิอย่างนีน้แล้วก็เห็นว่ า, วามือปลายนิ้วะะที่ข้อกระดูกข้อกระดูกนิ้วอะมันล่วงแล้วก็พวกัวแล้วก็ร่วงลงไปแล้วก็สลายทันทีเลยอะค่ะเป็นผงเลยหายไปเลย แล้วก็เห็นเห็นว่าโลกนี้คือคนที่แบบมีแต่หัวดำเนินกิจกรรมโดยมีหัวมีแต่หัวกับตัวแล้วก็มีแต่พกเครื่องในพกใส่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอพอเห็นโว้โชวัวของโรงเรียนอนุบาล น, นะคะเป็นเด็กอนุบาลผู้ชายผู้หญิงห้าหกคนเงี้ยหนูมองปุ๊บหนูก็เห็นเป็นคนอายุเจ็ดสิแปดสบะค่ะแล้วก็ทุกคนแล้วหนูก็อา่าหนูอยาก หนูหนูอยากจะพิจารณากายนะค่ะว่าถ้าวางลองตาว่าถ้าเกิดวางกายได้เนี่ยจะตัดราคาได้แล้วก็จะบรรลุพระอนาคามีแล้วก็จะก้าวหน้าไวอีกหน่อยจะบรรลุพระอรหันต์ได้ไม่ว่าในชาตินี้หรือว่าถ้าเกิดตายก่อนก็จะไปบรรลุในชั้นสวรรค์ชั้นสุคตบ้านค่ะแต่ว่าหนูก็ยังคงคงพิจารณายังไม่ถึงที่สุดอะค่ะก็แต่แต่ว่ามันก็เหมือนว่าแบบมันเริมแบบพิจารณากายไม่ค่อยไปแล้วค่ะไม่รู้ว่ามันแบบเราไม่ก้าวหน้าหรือว่ายังไงไม่รู้ค่ะแต่ว่าปีหลังๆนี้หนูก็สนใจพิจารณาพวกเป็นนามแทนนะคะหลวงพ่อ เพราะว่าที่เจอเจอมาในชีวิตนี้กับไม่ว่าคำถามคาถามคำถามเลยคำถามคือว่าหนูพิจารณากายได้ระดับหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็เขาเขาสองหนูรู้สึกว่าตอนหลังเนี่ยแบบอยากจะพิจารณาพวกนามากกว่าค่ะเพราเวทนาสังขารอ่างเงี้ยเพราะว่าคิดว่าที่คนเราเจอเจอในชีวิตประจําวันแต่ละครั้งหรือว่าปัญหาชีวิตหรอว่าที่เราอยู่กับความผิดของเราเองคนใหญ่มันน่าจะเป็นนามากกว่าค่ะพรสัญญาแล้วว่าสังขารพวกเวทนาอะไรพวกนี้อะตาเเอะหลวงพ่อรือว่าเวลาปฏิบัติทํานั่งสมาธิเหมือนกันเงี้ยเกิดเวทนาเกิด สัญญาสังขารอะไรพวกนี้เราควรจะพิจารณากายดีหรือว่าพิจารณาพวกสามข้อหลังของขันห้าเดียคะ่ะเพราะว่ามันจะดีกว่ากันนะคะหลวงพ่อตามแนวทางท่านก็สอนให้พิจารณาร่างกายเบื้องต้นก่อนพิจารณาดล่อยวางร่างกายได้ในทุกรูปแบบคือปล่อยวางร่างกายเพราะว่าไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาว่ามันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนแล้วก็พิจารณาว่ามันไม่สวยไม่งามแล้วจนสามารถปล่อยวางได้อ้างับกิเลสต่างๆได้ที่เกี่ยวกับร่างกายแล้วถึงค่อยไปทางเวทนาทางทางนา ม, มาขันต่อไป เพรว่าพิจารณากายมันน่าจะ ง, ง่ายกว่าโนวาเพราะมันเห็นชัดกว่าตอนที่เรายังไม่ก้าวหน้าไม่เห็นไม่มีตาในนั้นพิจารณากายน่าจะ ง, ง่ายกว่ามันง่ายแต่มันยังไม่ได้ทําข้อสอบเลยต้องไปทําข้อสอบดูว่มันยั ง, ง่ายาพิจารณาให้มันถ่านไปก่อนมันก็จะไปถึงตรงนั้นเองเ อ, อ, เ อ, อลองไปอยู่ในป่าช้าดูนะดูด้วย่ามั น, น ง, ง่ายไหมก็ดดเดินตอนแรกตอนจะเริ่มตอนแรกหลวงพ่อครูผีคิดว่าเขจะอ่านหนังสืออีบุ๊คนี้หนูกลัวมากเลยเพราะว่าอ่านหลวงพไม่กลัวพิจารณาได้เงี้ยก็ดีใจเออก็คือที่หลวงพ่อเาแ้กก็คือนลวม่า พิจารณา ก, กายเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงทุกอย่างทั้งอสุภะทั้งไตลักทั้งอะไรมันก็เหมือนพิจารณาพวกอสามข้อหลังของอขันธ์ห้าแต่ว่ามันจะครอบคุมแล้วก็ง่ายกว่าแล้วก็เหมาะกับคนที่ยังไม่ก้าวหน้าแต่ว่ามันก็ไปถึงไตลักกับอสุภะได้เหมือนกันคือมันต้องทําเป็นขั้นๆไปไม่ใช่ทําแบบแล้วแต่เราชอบนี่ไม่ใช่ใชนั้นพยายามปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนการพิจารณานี้ยังไม่ได้ปล่อยนะเป็นการศึกษาเป็นการทําการบ้าน เป็นการเตรียมข้อมูลโปรเจกต์ที่จะเข้าห้องสอบก็คือเหมือนเหมือนควิดแล้วก็ค่อยไฟนอลใช่ไหมคะควิดเประยะระยะห้อสอบก็คือเวลาไปเป็นโรคมะเร็งแล้วหมอบอกรักษาไม่ได้แล้วเนี่ยอ่าดูซิว่าจะทุกข์กับมันหรือเปล่าถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าสอบตกถ้าไม่ทุกข์น ะ, ะมันจะเป็นมะเร็งมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปไม่เดือดร้อนนั่นนะคือการทำข้อสอบที่แล้วหนูป่วยหนักแล้วหนู ก, น ก, ก็เลยแบบเห็นไตหลักเยอะเลยค่ะหลวงพ่อเห็นมาแลนะทุสติเยอะเลยแล้วก็ความไม่ประมาทนะคะ เออหรื อ, อสัอย่างนี้เราก็จะแบบพิจารณาสติกับใจรักก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับจะเหมาะกับทุกๆเรื่องเลยอะไรเงี้ยมันก็เยอะไปมันเอาที่เรเรื่องของมันจบเป็นวิชาวิชา<ล>ไปหลวงพ่อแนะนํากายก่อนเออเรื่อเรื่อว่าเวลาเราเจอกับเหตุการณ์เราก็ต้องพิจารณาเหตุการณ์นั้นเช่นเวลาเกิดแผ่นดินไหวเราก็ต้องพิจารณาว่าแผ่นดินไหวก็วเป็นอนัตตาเป็นภาวะทางธรรมชาติที่เราห้ามไม่ได้เราก็ต้องเจอมัน วิธีเจอมันก็เจออย่างไม่หวั่นไหวอย่างมากก็แค่ตายต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไป อ, อ, อันนี้อันนี้ส่วนมาก ก, กลับมาที่ร่างกายอยู่ดีเหตุการณ์ต่างๆที่เรากลัวเราเกลียดเราอะไรนี่มันก็เกิดจากความนักตัวกลัวตายของเรานี่เท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่นักตัวกลัวตายแล้วเราจะไปเจอเหตุการณ์อะไรเราก็จะเฉยได้ก็คือพิจารณาทุกเรื่องให้เป็นตายรักแล้วก็แบบเหมือนว่าทุกอย่างกระดับไ ป, ไปเป็นมรณา น, น้ำสติได้ก็ได้เ อ, อสิ่งที่เราเจอมันเป็ น, ปนตายรักมันเราห้ามมันไม่ได้ เจอคนจะจะดา่าเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้คนเจอคนเขาจะฆ่าเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจให้ทําให้ใจเฉยๆได้อย่าไปเดือดร้อนกับเขา<ม>เขาจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเขาจะฆ่าท่าหนีไม่ได้ก็ปล่อยเขาฆ่าไปเล า, าวก็ที่สามนะคะพวก ไอ้ perfection นี่ซึมอะค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปย้มคิดจําทําหรือว่าไปจู้จี้ไปบ่นไปโมโหอะไรเงี้ยแต่แบบอยากจะทําให้ดีที่สุดเงี้ยค่ะพวกนี้จัดว่าเป็นวิตกจริตหรือว่าพุทิจริตหรือว่าเป็นนิวรหรือเปล่าคะเป็นกิเลสก็แล้วกันไม่ต้องไม่รู้รายละเอียดมากหราอว่าเป็นกิเลสก็แล้วกันหรือว่าเป็นโมหะความหลงนะอย่าไปสนใจนั่งปฏิบัติธรรมต้องมองแต่ความจริงอยู่กับความจริงอ อย่าไปอยู่กับการตั้งอะไมาตรฐานขึ้นมาว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราตั้งหรอกมันอย่างฝนตกวันเนี้ยเราไปตั้งไม่ไม่ให้มันฝนตกมันก็ตั้งไม่ได้พอมันจะตกก็ปล่อยมันตกหน้าที่ของใจก็คือรับกับทุกสภาพทําในสิ่งที่เราทําได้ให้ดีที่สุดได้เท่าไรก็ได้เท่านั้น ก็คืออย่าไปคาดหวังใช่ไหมคะทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรใครที่ทำให้ควบคุมได้เป็นไตายรักใช่ไม่มีใครไปสั่งให้เหตุการณ์ต่างๆเกิด ใ, ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปบางครั้งก็สั่งได้แต่บางครั้งก็สั่งไม่ได้ขอบคุณคุณหลวงพ่อเข้าใจแล้วคะ่ะร <Okay. S 2> ู้ทุกอย่างเป็นอนาตาัตตาสรบเที่อนัตตาสัพเพธรรมานัตตาเนี่ยเจ้าค่ะพี่คาถามจากอินบ็อกซ์เจ้าค่ะ ถ้าพิจารณาความตายแล้วใจยังไม่ยอมรับต้องทําอย่างไรคะต้องฝึกสมาธิด้วยปัญญาอย่างเดียวจะไม่พอหยุดความทุกข์ได้ต้องใช้สมาธิช่วยฝึกสติพุทธโธพุทธโธทําใจให้นิ่งแล้วพอพิจารณาความตายก็จะยอมรับได้เจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคถ้าไม่มีก็แค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้